2.22 ในหลวงถามธรรมะหลวงปู่เทศวงเล็บเปิดสิ 12. มกราคม2550ัน25หในวงเล็บหนึ่งจุดจุดนาที13วงเล็บปิดในหลวงเคยไปหาหลวงปู่เทศถามหลวงปู่เทศท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินท่านไม่ถามอะไรธรรมดาธรรมดาท่านถามต้องถามสุดยอดไปเลยถามหลวงปู่เทศว่าเครื่องหมายคำพูดเปิดอะไรเป็นที่สุดของศีลอะไรเป็นที่สุดของสมาธิอะไรเป็นที่สุดของปัญญา ปิดเครื่องหมายคำพูดหลวงปู่เทศบอกว่าเครื่องหมายคำพูดเปิดเจตนาวิรัตเจตนางดเว้นการทําชั่วเป็นที่สุดของศีลอัปปนาสมาธิเป็นที่สุดของสมาธิไตรลักษณ์เป็นที่สุดของปัญญาที่เราจะต้องเดินไปปิดเครื่องหมายคำพูด